หลังจากนั้นพระองค์ก็ดำเลวว่าเราเนี่ยควรจะแสดงธรรมะโปรดใครก่อนหนอนะใครหนอะพอที่จะบรรลุได้ก็เห็นว่าอาลาละดาบทุตกะดาบทรามบุตรทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสกลุ่มรุมร ม, มานานหมายคาะว่าข่มด้วยสมาบัตมานานแล้วก็มีความบริสุทธิ์มานานแล้วเป็นผู้ที่สามารถพอจะบรรลุธรรมะได้อย่างเร็วพลัน คือคนที่เกลือกรวบไปด้วยมนทินคือความเศร้าหมองทางใจเนี่ยนะอริยศาสตร์ฟังไม่เข้าใจหรอกวันอย่าลืมว่าคนที่พระพุทธเจ้าสอนอริยศาสตร์สอนทุก์สมุทัยนิโรธมรรคขึ้นต้นด้วยทุกนะเชื่อไหมคนที่มีความทุกข์ฟังไม่ค่อยบรรลุ ก, กันคนที่บรรลุโดยมากเป็นคนที่มีความสุขเช่นกลุ่มไหนบอกถามว่าคนระดับล่างกับคนระดับสูงเนี่ยนะคนชั้นไหนบรรลุมากที่สุดคนระดับสูงเนี่ยนะ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 เสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ปรารภถึงภิกษุปัญจวัคคีย์ใส่ไว้ในใจว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามากนะคอยอุปถากมาตั้ง6ปีเนี่ยนะในการทําทุกขะกิริยาขณะเดียวกันก็คือผู้ที่จะบรรลุเป็นมนุษย์คนแรกจะต้องเป็นพระอัญญาโกณทัญญะด้วยเพราะท่านสร้างบารมีมาเพื่อจะบรรลุทำเป็นผู้แรกเป็นบุคคลแรกเทวาราชตันอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็เลยใส่ใจว่าเดียวนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนเนอ ก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิเศต์ปัตนะมฤุกทายวันกรุงพารณสีเสร็จแล้วพระองค์ก็ดําริว่าเราจากไปณนะที่นั้นประกาศพระธรรมจากเสด็จเที่ยวบินทบาตประทับอยู่ใกล้โพธิมันทสถานนั่นแหละ 2- อสวันในวันอาสาลหะปุรมีพระองค์ก็ดําริว่าจากเสด็จไปยังกรุงพารณสีปกติแล้วพระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6 พรงคไปแสดงธรรมาจากในวันเพ็ญเดือน8นี้พระองค์เนี่ยประทับนั่งอยู่ที่บริเวณต้นโพนี่เท่าไหร่77็ดเจคูณเท่ากับสีพระองค์งก็ประทับอยู่นะบริเวณแถวต้นโพจนถึงวันอาสาฬหะปุรมีเนี่ยนะวันก็คือวันเพ็ญเดือน8เชา้าตรู่พระองค์งก็เสด็จดำริจะไปกรุงพาณาสีถือบาทและจีวรเดินทางไป18โยชต์ปกติพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆบางองค์ก็หายตัวไปบ้างบางองค์ก็เหาะไปบ้าง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 ภิกษุณีเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคาถาของนางจาภาภิกษุณีเนี่ยก็คือตอนที่อุปกะชีวกจะบวชจริงๆนางจาภาเขาไม่ยอมให้บวชนั่นแหละก็มีการสนทนากันในที่สุดอุปกะชีวกก็ทิ้งไปตอนหลังนางก็ทิ้งลูกไว้ให้พ่อเนี่ยเลี้ยงตัวเองก็ไปบวชก็บรรุตามบรรุเป็นพระอรหันต์ทีนี้ฝ่ายเขาเชื่อกันว่าพระสุภัท ธ, ธปริภาชกนั้นก็คือลูกของอุปกะชีวกนั่นแหละ บางท่านทว่างนันนะเชื่อกันว่านั่นนะเป็นสุภัตถะปริพาชกฝ่ายพ่อไปบวชแม่ก็ไปบวชตอนหลังตัวเองก็ไปบวชบวชก็แล้วก็ตอนหลังก็เป็นปริภาชกเนี่ย น, นะก็ไปถามพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ปรินิพานกะว่ากั้นแต่ก็เป็นไปได้นั น, นะทีนี้พระองค์ก็เสด็จจากนะระหว่างต้นโพไปถึงเมืองพารณสีก็ใช้เดินตั้งแต่เช้า พรบข้า ม, มก็ถึงพารณสีพฤฤอดีถึงปลายสิปัตตนามรุกทายวันฝ่ายภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นพระตถ า, าคตเสด็จมาแต่ไกลก็ทำการนัดหมายกันว่าผู้มีอายุท่านพระสมณโคโดมผู้นี้เนี่ยนะท่านเวียนมา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 พระพุทธเจ้าก็ทราบวาระจิตของพิสูปปัญจวัคคีเหล่านั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็ย่อเมตตาจิตที่สามารถแผ่ไปโดยไม่เจาะจงในสรรพสัตว์กลายเป็นมาแผ่เมตตาโดยเจาะจงคือใจของเขานี่แข็งมากเลยนะใจของพิสูปปัญจวัคคีไม่เอาเลยเนี่ยนะมานะมากโดยเฉพาะกลุ่มนักบวชเนี่ยนะก็อบอกว่าระหว่างโยมกับพระเนี่ยโอ้ยใครจะมีมานะเท่ากับพระไม่มีอีกแลก้วเนะนะี่ยนะยิ่งแบบคือคือพระพิสูปเนี่ยมานะแรงมากจริงเลย อย่าไปคิดว่าท่านอุ้ยอ่อนมากอะไรเนี่ยไม่อันนัโอ๊ยสุดๆเลยแหละพวกกลุ่มนักบวชพวกฤาษีพวกอะไรเนี่ยอุ้ยใครจะกีรติรุนแรงเท่านั้นหายากถ้าได้ดีก็ดีเลยถ้าตกต่ําก็ตกเลยว่างั้นเถอะอันนี้โดยปกติเนี่ยนะโดยมากเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องแบบมันช่วยทําให้ลํำพองได้เยอะเหมือนกันนะพระเอาทงของผ้ารหันมาหม่มอย่างพอดีไม่ใช่ผ้ารหันห่มก็เลยที่ไหนได้นี่เพรา ะ, ะพระองค์ก็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 นะพักนี้มีอยู่หคนเท่านั้นนะหรือสีพักค้านะทั้งกามานั่งคุยกันว่าโอ้ยไม่เอาแล้วนะปูแทบที่นั่งให้ก็พอแล้วแบบนั้นนั่นตระกูลสูง แ, แล้วก็พระองค์เนี่ยปกติพระองค์ก็เจริญเมตตาสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนนึงความสุขเถิดปกติก็จะเจริญเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้รวบเมตตาทั้งหมดเนี่ยเพ่งมาหาท่านขอให้ทั้งห้ามีความสุขเลยนะเพราะ ว, ว่าน้อมพระแผ่เมตตาอย่าลืมว่าเมตตาในขนาดช้างเมามันเนี่ยนะ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 เว้นอย่างเดียวยังพูดดูหมิ่นนิดหน่อยว่าอาวุโสโคดมอะไรันเรียกอาวุโสอย่าู้มีอายุปกติเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่เรียกพระน้องๆพระเด็กๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าอาวุโสแต่พระเด็กๆเรียกผู้ใหญ่ก็เรียกว่าพันเต่นะนะพันเตเนี่ยหมายว่าผู้ใหญ่เรียกเรียกผู้ใหญ่เรียกคนระดับล่างเรียกว่าอาวุโอคุณคุณเนี่ยนะก็คือคุณก็คืออาวุโสแต่ถ้าระดับล่างเรียกระดับสูงว่าท่านท่านอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ พันเตก็คือคใช้ศักด์แบบนี้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงให้ภิกษุปัญจวัคคีเหล่านั้นยินยอมว่าพระองค์นั้นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งเหนือบรวรพุทธาฏอย่างดียามพบคล่ำที่จัดไว้เมื่อการประกอบด้วยนักศัก์เดือนเรียกว่าอุตราศาดอยู่เดือนอุตราศาก็คืออาสารหาวันเพลินเดือนแ่ดนะ อันพรม18โกดแวดล้อมพระองค์ก็ตรัสเรียกภิกษุพระเทเรปัญจวัคคีมาแล้วตรัสพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับเรียกว่าหมุนพระธรรมจักรคืออริยสัจประกาศอริยสัจให้เป็นไปบรรดาภิกษุปัญจวัคคีเหล่านั้นท่านพระอัญญาโกณทานะก็ส่งญาณไปตามกระแสพระธรรมเทศนาจบพระสูตรก็ดํารงอยู่ในโสดาปฏิผลธรรมจักสูตรคือโสดาปฏิมักเห็นอริยสัจพร้อมด้วยพรม18โกธ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 ตรัสรู้มากเยนะเหลือแต่พวกเราสวดกันมาเกือบทุกวันเลยนะก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังแปลกใจอยู่เนี่ยนะบอกาก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรเลยมงคลบอกมงคลดีไหมดีทำตามไหมเอาไว้ก่อนเนี่ยนะานีก็มีเจ้าของบริษัทหนึ่งเขาก็เลยพิมพ์มงคลแจกลูกน้องแจกบริวารเขาเนี่ยนะมีอยู่4ี่ร้อกว่าคนก็มงคลคนเนี่ยพิมพ์แจก โอ้ทุกข้อดีหมดเลยเว้นแต่ข้อดื่มสุราเนี่ยทำตามไม่ได้เขากนะับนโอ้ยดื่มสุราข้อเดียวมันก็อัปมงคลทุกข้อละมัง้งงั้นนะก็บอกว่าแม้มันมงคลเนี่ยมันดีทุกข้อเลยนาะอ่านดูแล้วขอข้อเดียวเหอะกำลังขอข้อดื่มเหล้า พอดื่มเหล้าแล้วก็เป็นคนพาลแล้วดื่มเหล้านี่ไปดื่มกับบัณฑิตได้ไหมเขาไปดื่มกับคนพาลเมื่อดื่มเหล้าแล้วจะฟังคําของสัตว์ไปบูชาใครแนละ้วก็บูชานักร้องนะดอกไม้ปกติเขาไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้องเอาดอกไม้ไปบูชานักร้องสถานที่ที่ดื่มเหล้าก็ไม่ใช่สถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศรอับประมงคนตามมาทุกข้อเขาให้ดื่มเหล้าข้อเดียวแค่นั้นนะนะ่ะก็เลยอับประมงคนทั่วไปหมดเลย มันก็เลยอย่างนี้แหละเขาอโอ้แจกพี่ใหม่นี่แหละเขาแจกงานปีใหม่แล้วพิมพ์มงคลละสูตรแจกลุงน้องเหมือนกันขอข้อเดียวกันขอดื่มเหล้าก่อนเนที่เหลืออัปม ง, มงคลนี่ไร้ผลอนนทีนี้ต่อมาอีกที่พระองค์แสดงราหูโลวาทสูตรเนี่ยนะจุลราหูโลวาทสูตรก็ยังสัตว์เกินที่จะนับได้ให้ดื่มอมะตะธรรมคือเขาเหล่านั้นก็ตรัสรู้ตามมากมาย ดังที่พระองค์ตรัสว่าบัดนี้เราสั่งสอนราหุลลูกของเราในที่นี้นั่นแหละอภิสมัยครั้งที่สมได้มีแกสัตว์จำนวนนับจำนวนไม่ได้ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นมีสาวกสันนิบาตประชุมพระสาวกครั้งเดียวเท่านั้นคือประชุมพระอรหันตสาวก1250รูปเหล่านี้คือเฉเดนสามพี่น้องมีอุปเวลกัสปะเป็นต้น 1,000 ันรูป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 ไหมบรรลุอริยสัจเห็นอริยสัจจริงๆกับแแบากับบรรลุบ้างยห่างกันเยอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าพระองค์ให้ได้จริงๆถ้าคุณต้องการจริงแต่โดยมากมันต้องการไม่จริงอ่ะนะก็เลยไม่ได้บอกต้องการจริงๆนะไอ้จริงจริงไหนจริงยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยนะก็เขาสมมติว่าโอ้ตถาถนาอยากกับรรลุเป็นพระโสดาบันโสดาบันคืออะไรไม่รู้เอาไม่รู้ตั้งแต่แรกเราจะรู้ได้ยังไงไอ้ของจริงมันเป็นยังไงถ้าไม่รู้จักของปลอม ถ้ารู้ไม่รู้จักจริงแล้วจะรู้หรือว่าอะไรคือปลอมอยังไง น, นนะเพราะฉะนั้นก็เลยเจอโสดาบันโดยการอภิเษกเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยเนะนะเท่ากับไปฝึกเข้าไปเข้ากรรมฐานบางแห่งเนี่ยโอย้เป็นพระอริยะกันมาเยอะแย ะ, ยะเลยเสร็จ แ, แล้วก็ทุศินเหมือนเดิมนะ <laughs> ก็เอ๊มโสดาบันยังไงทุสินสินยังรักษาไม่ได้เลยเพราะฉะั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามคิดคิดให้มันดีๆหน่อยนะว่า ถ้าหากว่าเราปรารถนาจริงๆแล้วสิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรโสดาปฏิผลหรือโสดาบันโสตะบวกอาปนนันะเนี่ยนะโสตะเป็นชื่อของกระแสเป็นชื่อของกระแสอาปัณะแปลว่าวถึงหรือบรรลุเนี่ยนะถึงความเป็นพระโสดาบันแปลว่าวเข้าถึงกระแสคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นแล้วสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจสัมมาสังกัปปะ กุศลวิตก็มาไล่ดูแล้วพอไหมที่มรรคองคปดจะมาประชุมรวมกันทํารรรกิจกําหนดรู้ทุกลาสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นต้นเนี่ยนะมันเพียงพอไหมเราเข้าใจไหมพร้อมจะบรรลุแบบนั้นไหมล้วก็ต้องมาเช็คมาสอบสวนมาใครค่โครนมาพิจารณาถ้าหากว่าเราเข้าใจตามนั้นพระ อ, องค์ก็ให้บรรลุได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะบรรลุว่าอย่างไงแล้วอ่างนั้นนะก็เลยไม่รู้จะว่ากันยังไงก็น่าสงสารนะนะ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 84,000 ันบงห้าร้อยบ้างพันบ้า ง, างไปต้นเนี่ยนะเขาบรรลุทีละเยอะเนี่ยนะาศาสนาของเราผู้สักยมุนีในโลกนี้บริสุทธิ์ดีแล้วแผ่ไปกว้างขวางคนเป็นอันมากรู้กันมั่นคงเจริญเจริญออกดอกบานแล้วเนะี่ยในหน้าสอา 2, อห่ะอหน้า688เนี่ยนะที่อัตถะธามไม่ได้ยกมาเต็ม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 สังขารก็ไม่เที่ยงนะนะพันภิกษุทั้งหลายพิสุทั้งหมดหลายร้อยผู้ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นย่อมแวดล้อมเราทุกเมื่อสมัยพุทธกาลนั้นพระภิสุคอยห้อมล้อมติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าปกติแล้วอย่างน้อยประมาณ500รูปเ ด, เดี๋ยวอะเดี๋ยว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 เรียกว่าแทบจะไม่หลับไม่นอนเลยนะในที่สุดก็ได้เป็นพระอรหรรันต์สมัยพุทธกาลนั้นถ้าบกักถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแล้วจุติเนี่ยเขาตําหนิมากก็อย่างเช่นในะรนะนัคโคป ะ, ะเทพบุตรเนี่ยนะโคป ะ, ะเทพประบุนี่ก็ตําหนิพระภิกษุสามรูปที่เรียกว่าออกบวชแล้วก็บรรลุไม่ได้บรรลุอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไปเกิดในในเทวดาชั้นจาตุ้มไปเป็นเทวดานักร้องเนี่ยนะ เรียว่าพวกโยมอุปถัาที่ใส่บาทไปเป็นพระสกะทาคามีเนี่ยนะแล้วก็นักร้องเนี่ยไปร้องให้พระสกะทาคามีผู้โยมอุปถัาฟังอ่ะโอถูกตําหนิแรงมากเลยนะองค์หนึ่งสังเวชบรรลุเป็นพระอนาคามีเลยนะเอกองหนึ่งโอ้ยร้องเพลงก็สนุกดีแล้วก็กลับไปร้องตามเดิมเนี่ยนะเป็นเทพบุตรนักร้องต่อไปก็มีประมาณนี้มีเพื่อนโยงหนึงเฮ้ยเรียนธรรมะด้วยกันอ่านพระไตรปิฎกด้วยกันเอาไปมาไปเที่ยวลำอยู่เฉยเลยตอนเนี้ย นะไม่น่าเชื่ออะไรโอ้ปกติถ้าท่านเงียบเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยนะศึกไปเป็นหมอลำเฉยเลยอ <c oughs> นอรชนผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรคือผู้ยังท่องเที่ยวไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตฏะเนี่ยนะผู้ที่ยินดีในธรรมะทุกเมือ่อถ้าหากว่าชมเชยอริยมรรคอันรุ่งเรืองแล้วก็จับตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดหวังหรือมีความประสงค์ที่จะตรัสรู้บรรลุมรรคผลถ้าหากว่า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 พระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะพระพุทธมารดาพระนาง ม, มายาพระองค์ครองค า, ารวะวิสัยอยู่29ปีมีปราศาสตชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังสุจันทะโกกนุทะและโกนจะมีสนมกำนันสี่หมื่นนางอัคราเมหสีชื่อว่ายโสธรา ม, มีโอรสพรนามว่าพระราหุนเห็นนิมิตสี่เนี่ยนะออกอภิเนิสกรมด้วยยานคือม้า ก, กันดกะบำเพ็ญเพียรรมทุกขกิริยาอยู่ 6ปีประกาศพระธรรมจากณปาอิสิปตนะแขวงกรุงพารณาณสีเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะเป็นสา ร, ระคือที่พึ่งของสัตว์โลกคู่อัครส า, าวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสามีพุทธอุปถาประจำสำนักชื่อว่าพระอนันทะมีภิกษุณีอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระเขมาและอุบลว น, นา มีอักขระอุปถากชื่อว่าจิตตาและหัตถอลาวะกะอักขระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราเราบรรุพระสัมโพธิญาณอันอุดมณโคนโพรพฤกชื่อว่าต้นอัทธมีรัสมีกายวาหนึ่งประจํากายสูงสิบหกเรานี่มีอายุน้อยร้อยปีในบัดนี้ถึงเมื่อจะดํารงอยู่ประมาณเท่านั้นก็ยังชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะ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 สังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่านาะว่างนันนะสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่านาะไม่ได้จีรังยั่งยืนนี่นะในที่สุดก็หมดสินส้นศูนย์ไปไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่นะอย่างที่พระองค์บอกว่า <S <S เดชที่ไม่มีใครเทียบได้เหล่านั้นทั้งยศพระฤทธิเหล่านี้เราผู้มีเรือนกายอันทรงคุณวิจิตไปด้วยมหาปริศลลักษณะ32ประการมีฉับพันนารังสีสองสว่างทั้ง10ทิศ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 ว่างเปล่า ว, วัดต่างๆเนี่ยนะมีโรงประิยะติธรรมแต่ก็โรงไว้ขังยุงอ่ะนะไว้ให้ยุงพักผ่อนเน่ยนะสถานที่หลับนอนของพวกยุงเป็นต้นะนั้นก็โรงเรียนประิยะติธรรมก็ว่าให้ยุงเนี่ยไปเรียนกันเต็มไปหมดเลยให้ขี้ยาไปพักใช้บ้างเป็นครั้งคราวอเงี้ยนะจะดีว่าเขาปราบยาดีก็เลยยาขายไม่ค่อยได้มีใครไปเสพเมื่อก่อนเข้าไปตามโรงเรียนปริยะติธรรมเนี่ยโอ้ยบางวัดเนี่ยเข้าไปกไ็เห็นมีอะไรฉลากเนี่ยนะมีไอ้ที่เขาจุดยาดมยาสูบยาแถวนั้นไนงะ มันสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าเนาะคำสอนก็จะค่อยๆหมดไปต่อไปคนก็ไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยศึกษาแล้วมันก็ศูนย์โยปนาอย่างเลยว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลเนี่ยนะมีแต่ชาติชรา ม, มรณะลุ่นๆเป็นไปเลยเนี่ยนะมีแต่จากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งมั้นผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะโดยเฉพาะเรียนรู้คําสอนในพุทธวงศมาทั้ง28พระองค์เนี่ยนะจวบจนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ย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 ถามว่าจบพุทธวงศ์เนี่ยนะมีผู้บรรลุเท่าไหร่ที่พระพุทธเจ้าแสดงพุทธวงศ์ทั้งเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะจิตของเทวดาประมาณแสนโกธก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นส่วนเทวดาที่บรรลุโสดาปฏิมร์จนถึงอนาคามีมรรคหาประมาณไม่ได้เหลือแต่พวกเราเนะี่ยไม่แน่นะอนาคตเรียนไดแล้วเพราะบุญวาสนามีอุปริสัยในอนาคตแล้วใช่ไหมนั่นก็ไม่แน่ ไม่แน่วิริเยนะทุกขมัดเจติสัตว์ทั้งหลายจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่หมายค้าว่าคิดว่าตัวเองบรรลุก็นั่งอกุศลวิตตกทำท่าจะยากมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนจงกรมณอากาศตรัสพุทธวงทั้งสิ้นกำหนดด้วยกับนามชาติเป็นต้นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ยังพระประยุรญาตให้ถวายบังคมประทับนั่งบนบวรพุทธาที่จัดเอาไว้แล้ว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 พระพุทธเจ้าแสดงจริยาปิดกแสดงพุทธวงแล้วก็แสดงเว ส, สันดรชาดกในสมัยที่เสด็จไปเมืองกบิลพัทเป็นครั้งแรกนั่นเองเพรา ะ, ะพระธรร ม, มเทศนาได้เกิดประโยชน์แก่สรัสตร์มีผู้ที่ตรัสรู้ตามที่กล่าวไปแล้วอันนี้ก็เป็นข้อความในพุทธวงเนะเดี๋ยวพักสักครู่กัน